ยอมเพียรกันหรือบล่าวันนี้เพียร์หรื่ามีใครเพีเพียรบ้างนี่เอามานั่งหน้าๆเลยก็ได้นั่งข้างหน้าๆนี่นั่งหน้ากันนั่งแถวหน้ายังไม่เต็มเออนั่งแถวหน้าหอเป็นนั่งแอบหลบมอหลับเก่งด้วยมาเป็นนั่งอยู่างง้น่ะเออไปนสถานที่ปรินิพานของพระศาสดาแล้วมีความรู้สึกยังไง เล่าให้ฟังบงังมีแก้วไหยแก้วน้ำไม่มีไหมอ๋อทรัตนด์ดาเล่าให้ฟังหน่อยทีออ้าวทีนี้เนี่ยเห็นจับใหม่แล้วลองพูดเลยอออ้าวก็ก็นมัสการเจ้าค่ะรู้สึกว่าถ้าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เราจะอบปุ่นสักขนาดไหนอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าไงเนะี่ย คือ <c oughs> ได้ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์จริงๆก็จะยิ่งทราบซึ้นขนาดไหนอันนี้พระอาจารย์ก็เป็นทางผ่านที่จะถ่ายทอดคำสอนเจ้าค่ะก็เลยนึกว่าถ้ า, ถ, าถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะอบอุ่นใจสักขนาดไหนตรงนั้นก็รู้สึกอย่างนั้นเจ้าค่ะอ๋อค่ะ แล้วก็อยากจะกราบแทบบาทพระสัดาก็สมใจนะคะอ๋อได้กราบเลยเนี่ยได้กราบรจาโอ้สาธุเลยเอาใครลองแสดงความรู้สึกหน่อยที่อยากฟังข้อมูลนิดนึงอ่ใครนะเอยอมนอกอายอมนกอ่าเลยก็พอได้ไปถึงนะคะเห็นพระพักท่านแล้วดีใจจนบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ แทบใจจะขาดอะคะ่ะแทบใจจะขาดพูดได้อย่างเดียวว่ารู้สึกรู้สึกบอกไม่ถูกแล้วก็พอยิ่งเห็นท่านนะคะเห็นทั้งทั้งองค์ท่านเงี้ยท่านต้องอยู่ตรงนี้เพื่อรอเราอะคะ่ะเพื่อรอเรามากราบแทบพระบาทมามาพบท่านเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่กว่าเราจะได้มาถึงตรงนี้อะคะ่ะมันยากลำบาก แล้วก็ยิ่งได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ที่บรรยายยิ่งจับใจเลยอะคะ่ะจับจิตแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติตัวพร้อมที่จะเริ่มทำให้ถูกต้องอตั้งแต่วันนี้ เ, เป็นต้นไปเลยคะ่ะเอาสาธุกันหน่อยนะสาธุสาธุสาธุเลยโอ้ฟังแล้วน่าเชื่อใจนะในตั้งใจจริงๆ อ้าวลองนิยมทุกเรานี่ยสำหรับหนูนะคะหนูก็ไปถึงก็ไปกราบแท้พระบาทพระพุทธองค์อะคะ่ะรู้สึกว่าพระบาทเนี้ยคะ่เดินท่านเดินมาแบบว่าโปรดสัตว์มาะคะ่ะท่านท่านเพื่อเดินมาเพื่อจะโปรดสัตว์โลกทั้งหลายอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็ประทับใจตรงที่พระอาจารย์พูดถึงท่านแบกขัน ถ้าภาล่ะค่ะท่านจะดับคือท่านหนักนะคะ่ะเหนื่อยแล้วหนักแล้วแบบพอแล้วแบบท่านท่านเหนื่อยมากแล้วอะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับแบบแล้วที่เดินเดินอยู่ในสถานที่นั้นทั้งหมดเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกย่างก้าวที่เราก้าวเท้าไปเนี่ยะคะ่ะ แ, แถวๆนี้เมื่อก่อนตอนนั้นนะคะมีแต่พระอรหันต์อยู่เต็มไปหมดเลยอะคะ่ะมีความรู้สึกว่ามัน เดินไปก็แบบขดลุกค่ะอา้อาวแล้วอย่มงคลที่ผมรู้สึกปลิ่มใจครับที่วันนี้ได้มากราบบาพระศาสดาพาน้นความรู้สึกของผมรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กระดาษความสุขส่วนพระองค์มาเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเพื่อจะผลตัดโลกทั้งหลายให้คนตัก ว, วัตะสงสารได้ ผมถึงภูมิใจมากที่จะเกิดในประเทศไทยอยู่ในพุทธศาสนาครับอ้าวโยมเาไม่เป็นไรมาดศการเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งสององค์ดิฉันรู้สึกวันนี้ที่ไปเนี่ยคิดว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีบุญมามากมาย ขณะที่ท่านจะปไินิพพานนะคะท่านก็ยังมีบามีมารมาแทนมาให้ท่านเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าเผื่อตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ฉลาดและไม่เกง่งไม่มีความไม่รู้จะพูดถึงความว่าท่านเมตตาที่สร้างบารมีให้พวกให้กับพวกเราได้มีโอกาสนี่นะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านเจ็บป่วยตอนนั้นน่ยถ้าท่านระงับและสติของท่านไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไง แล้วถ้ามนุษย์อย่างพวกเราที่เกิดมาเนี่ยเราสแสวงบุญแสวงบุญอยู่เนี่ยล้วสุดท้ายของเราอะ่ะเราจะเป็นยังไงก็ลเลยคิดว่าเราก็ต้องรู้จักคิดที่จะปฏิบัติเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้เพื่อหนทางข้างหน้าของเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนี่ยค่ะคือความคิดของชันนั้นเจ้าคะอาจารย์เออสาธุอา้าวลองลองดูหน่อยที่ เอาใครอ๋อไม่คิดหรอกกราบน้ำสการพระคุณเจ้าค่ะและในทันทีที่เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่า เวลาที่ท่านเปรินิพาเนี่ยท่านคงจะมีความสุขมากแล้วเพราะว่าพระพักท่านเนี่ยดูอิ่มเอิบแล้วมองแล้วรู้สึกว่าเราก็มีความสุขตามท่านแล้วก็นึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่เราจะมีความสุขอย่างนั้นบ้างคือตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็มอบกายถวายชีวิตให้กับท่านไว้ไม่เหมือนวันนี้ที่พระอาจารย์สอนนะครับ oh. เพราะว่ามันก็มี รูปกับนามชิงอยู่รูปกับนามก็อยู่กับรูป น, นั่งเป็นรูปนั่งยืนเป็นรูปยืนเดินเป็นรูปเดินก็เรียนตั้งเยอะแยะก็ปฏิบัติก็แค่นี้เออทำความรู้สึกกับรูปนั่งทําความรู้สึกปัจจุบันเออก็ธรรมะก็ฟังไปแต่ฟังไปฟังมาจับ จ, จับหัวจับหางไม่ได้อะไรคือภาพหลายรูปคือผมไม่อยากพูดอะไรนะครับคือเนี่ยสิ่งที่ขาดเนี่ยคือลจะจเมไม่ได้พบกัลยาณามิตรวันนี้พบแล้วครับวันนี้ผมพมแล้ววันนี้สําคัญมากัลยาณมิตรแปลว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมธรรมพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านะครับถึงแม้ไม่ได้เป็นอริยะสงฆ์ก็ ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดแล้ว เ, ออเราจะไปฟังนูน่นฟังนี้เสียเวลานะครับครับมาใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยว่ามาม า, มาพร้อกงกับอาจารย์กัลยาณมิตรอาจารย์เนี่ยเจงแบบคนแบบการค้าขายใช่ไหมครับหมดตัวถ้าศรัทธามันหมดก็ถือว่าเจงเจงเลยครับขอโ <ขอ S 2> ทษนะชายทรสาน์นี่ก็ก็เป็นเรื่องถูกเนี่ย ก็ต้อ ง, องที่ผมบอกเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ยแ ล, แล้วสารแล้วสาหรับพอ ม, มาแล้วมันเฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรทำไงบางคนเขามาแล้วเฉยเก็เราเราต้องดูตัวเราว่าเพราะว่ากรรมของใครกวของเขาถ้าเราไปดูของคนอื่นตัวผมก็ตายสิฮะมัตายก่อนไม่ใช่จะจะแนะวิธีคิดยังไงสําหรับเขายัางหาช่องทางคิดไม่ได้ก็เนี่ยผมบอกอยู่เรา เป็นคนมีบุญทุกคนที่มากับอาจารย์เนี่ยเป็นคนมีบุญแล้วก็เราได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วเราพยายามฟังพยายามเรียนจะได้กัมมศัตาปัญญาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลเราจะได้เรียนไปแล้วก็ปฏิบัติไปการฟังก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติส่วนเรื่องการรักษาศีล เรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันสามอย่างนี้มันต้องมาพร้อมกันคือศรัทธามาเราก็ต้องพยายามเร่งเพียรขยันคือต้องมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นใช้เวลามากขึ้นจะไปเสียเวลากับพวกพวกละครพวกหลายสาระที่ผมพูดไปเนี่ยสิ่งไหนหลายสาระมาเป็นสาระออสิ่งไหน สาระเรามาคิดเป็นไม่ไม่เป็นสาระความจริงไม่ใช่ครับเ อ, อสาระต้องเป็นสาระครับไม่สาระก็เป็นไม่สาระครับครับพระอาจารย์จะถามอะไรไหมครับแล้วแล้วมีใครจะแสดงทัศน์อะไรต่อไหมมีป่ะยำตู้ได้อะไรบ้างอะยำตู้ลองดูค่ะ ก็คิดว่าการที่เราได้รับการมรดกท ร, รมมาจากพระบรม ศ, ศาสดาท่านต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะให้กับบริษัท ส, สี่ของท่านเราเองก็เป็นบริษัท ส, สีนะคะก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองว่าที่มีชีวิตในในการเป็นมนุษย์เนี่ยได้ทำอะไรเพื่อให้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านให้ความไว้วางใจ เราเองก็เลยมามองดูว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้กระทำสิ่งใดๆที่เป็นการที่จะทำให้พระบรมบาศาสดาท่านได้รู้สึกไว้วางใจแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจนะคะว่าถ้าท่านไม่เห็นศักยภาพของบริษัทสี่เนี่ยท่านก็คงไม่วางใจดังนั้นตัวเราเนี่ยแน่ใจว่ามีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังขาดศรัทธาอยู่ ในการทำศรัทธาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่จะต้องคอยพึงระวังแล้วก็ตนเองก็ต้องเพีเพยรที่จะต้องกระทําอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าเชื่อว่าความศรัทธาเนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องต้องคอยดูคอยแลตัวเองอยู่สม่ำเสมอขอขอยกตัวอย่างเรื่องส่วนตัวในครอบครัว<อ>ให้ถวา ย, ยรพระอาจารย์สักนิดหนึ่งนะค ะ, ค, ะคือเอพี่สาวนะคะคนโตเนี่ยในใน ครอบครัวเราเนี่ยอยู่กับพุทธศาสนาเพราะเป็นคนคนไทยแท้ๆนะคะเรียกว่าบ้านอยู่ติดกับวัดเลยนะคะพี่สาวเนี่ยก็กับตัวเองเนี่ยก็มักจะได้อยู่ในวัดกันนะคะไปทำบุญกับคุณยายอยู่สม่ำเสมอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนะคะมีการบวชเกิดขึ้นนะพี่สาวเนี่ยเห็นพระกาลังโกนหัวนะะลงไปร้องกับพื้นย ะ, ะอยากบวชคะ่ะตัวเล็กๆด้วยกันเนี่ย ะ, ะพวกเราเป็นเด็กเราก็แบบ หัวเลาะกันอะค่ะว่าพี่สาวเป็นอะไรอ่ะอยากจะบวชแล้วก็ร้องจนแบบเหมือนกับคนแบบจะเป็นจะตายคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วเกิดอาการประหลาดเพราะมันไม่เคยปรากฏจนกระทั่งสุดท้ายพ่อแม่เนี่ยต้องจับไปโกนหัวแล้วเธอก็จะดีใจมากแล้วเธอได้เป็นเธอบอกว่าเธอได้เป็นพระพุทธเธอพูดอย่างนี้ค่ะเธอก็มีความสุขพวกเราได้เห็นเป็นเรื่องขบขันอย่างมากเลยเราถึงวันนี้เราย้อนกลับมามองว่า เธอต้องมีสิ่งใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจเธอในตอนขณะนั้น น, นี่คือเธอมีความศรัทธามากแต่หลังจากนั้นนะคะเวลาก็ผ่านไปจ้าศรัทธาตัวนี้เนี่ยมันหายเลือนรางไปอันเนื่องจากว่าคุณยายแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยก็ไม่ได้มีมีสังคมเป็นสังคมแบบไทยแล้วนะคะก็กลับมาอยู่ในเมืองก็ไปเรียนหนังสือกันพี่สาวไปเรียนคอนแวนต์นะคะไปเรียนคอนแวนต์ก็เป็นคริสต์เลยค่ะตอนนั้นปเปลี่ยนจากพุทธกลายเป็นคริสต์เลยค่ะ พวกเราก็รู้สึกว่าโอตายแล้วทําไมเขาเป็นคลีสคุณยายก็ผิดหวังมากนะคะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรหลังจากที่ท่านที่พี่สาวไปอยู่คลีสเนี่ยเขาใช้ชีวิตที่ห่างจากครอบครัวไปแบบเป็นสุดขุดขุสุดขัด้วเลยค่ะพระอาจารย์เราก็คิดว่าหลุดไปแล้วละคือไปเป็นคลีสแล้วขอเราเราอีกต่อนะคะเพราะเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้กลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นพี่สาวก็ไป ม, มีครอบครัวะคะ่ะท่าน มันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบสามีเป็นอิสลามค่ะท่านอเป็นอิสลามค่ะและพี่สาวก็กลายเป็นอิสลามอีกครั้งหนึ่งค่ะพระอาจารย์เลยเห็นว่าอ๋อไอ้จะดศรัทธาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าได้คิดว่าตนเองนมีความศรัทธาว่าเราเนี่ยโอโเรามาแล้วเราศรัทธาหรือฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เหมือนเป็นเป็นแก้วมันีนะคะที่ต้องคอยรักษา ต้องคอยต้องดูแลต้องคอยเก็บรักษาอย่างดีเหมือนดวงตาของที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเหมือนคนที่มีตาเพียงข้างเดียวต้องรักษาตาข้างนึงเอาไว้เหมือนคนที่ตาบอดนะคะหรือว่าคนที่มีลูกในท้องแล้วรู้ว่าลูกนั้นน่ะจะได้ออกมาเป็นจั ก, กรพัฒย์โยมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่โยมโยมเห็นแล้วก็ให้ความสําคัญคือศรัทธา ส่วนเรื่องที่สองโยมโยมพิจารณาถึงเรื่องศีลโยมก็พิจารณาว่าศีลเนี่ยมีความสำคัญกับโยมมากควรจะรักษาศีลเนี่ยที่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับเราเนี่ยจะบาเพ็ญบารมีที่จะเป็นเนคขมมะในอนาคตเพราะเพราะตนเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมีความมีเจตนานะคะว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเออเป็นเป็นนักบวชนะคะ ซึ่งอาจจะไม่ไม่สามารถจะทําในภพชาตินี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นปัจจัยต่อไปในการที่จะบําเพ็ญบา ร, รมีของการเป็นเนกขมมะ<า> ก, ก็คิ ด, คดว่าการรักษาศีลอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยต่อไปในการที่เราจะได้พบได้พบธรรมอันเป็นประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วก็จะได้เกื้อกูลตัวเองต่อไปอะคะ่ะส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพุทธวจนะที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าจงอยู่ในความไม่ไประมาท โยมโยมเป็นเป็นสิ่งที่โยมระลึกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็คอยที่จะต้องหมั่นห ม, มั่นใมั่นไข้ครวญดูถึงความไม่ประมาทติดต่างๆที่กระทำไม่ว่าจะเป็นไตรสิกขาก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องย้อนกลับมาดูศีลที่กาลังทำอยู่ว่าบริสุทธิ์หรือเปล่าสมาธิที่กระทำอยู่นั้นเออเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาสมาธิรวมทั้งการภาวนาก็จะต้อง เออต้องต้องทำเรียงเป็นลำดับลาดับไปอะเจ้าค่ะ ร, รวมทั้งก็ต้องไม่อยู่ในความประมาทไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็ควรจะต้องต้องต้องใช้พุทธวจนะนี้เป็นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตยอย่างมากอะค่ะโอสาธุเลยสาธุเลยเออก็ขอโมทนาับพวกเราเนี่ยที่ได้แสดงทัศนะกันนะก็<อ>ความคิดก็ต่างๆกันออกไปเมื่อได้เห็น พระบรมศาสดาในในปางปรินิพานนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปตรงนี้นิดหนึ่งเออนี่นะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้ดีที่โยมตุ้ยได้นำนำมากล่าวโดยเฉพาะก็คือพวกเราที่ฟังไปเนียนี่จะได้ประโยชน์นะอา้าวโยมพัทธลีฟังไปแล้วฟังโยมตุ้ยเล่าเมื่อกี้แล้วได้อะไรเนี่ย ที่ฟังไปเนี่ยอยากฟังหน่อยว่าทัศนะฟังเรื่องแบบนี้เราคิดยังไงเอออ่าว่าฟังด้วยความตั้งใจไหมเมื่อกี้ อ, อ๋อลองดูที่กาบนวัส ก, การผ้าจานค่ะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ฟังคุณตุ้ยเล่านะคะมีความรู้สึกว่าพอคุณตุ้ยพูดถึงศรัท ธ, ธากําลังคิดเลยคิดถึงศรัท ธ, ธาแท้หรือศรัท ธ, ธาเทียมขึ้นมาเลยอะค่ะฉะนั้นถ้าดูลักษณะอย่างนี้เนี่ย เขายังไม่มีศรัทธาค่ะทยมมองลักษณะอย่างนี้ถ้าถ้าจะจัดศรัทธาก็คือศรัทธาเทียมอะค่ะคือว่าถ้าเขาเข้าถึงศรัทธาจริ ง, รงๆแบบอยากบวชเัื่อตอนเด็กๆตั้งแต่ที่ว่าร้องแบบอยากจะโกนหัวบวชอย่างเงี้ยถ้าตั้งมั่นจริงๆหรือว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกับสืบเนื่องจากวิบากในอดีตะนะคะคิดว่าเขาก็ต้องยืนยันว่าอยากจะบวชแต่พอถึงวัยวัยหนึ่งขึ้นมาเนี่ย ไปเรียนคอนแวน์วัยเรียนวัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนกับแบบว่าสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะมีส่วนที่จะทําให้คนเราเปลี่ยนแปลงเ อ, อคิดตรงนั้นแล้ววิจารณ์ตรงนั้นประเด็นก็คือว่าได้อะไรจากเราเราได้อะไรจากการปางได้คือว่าการจะสร้างศรัทธาแท้เนี่ยรู้สึกว่ามันยากมากเนีการคิดอย่างนี้เป็นการปิดกั้นตัวเองแล้วเนี่ยข้อที่เขหนึ่ง <c oughs> ข, ข้อที่สองก็ อาจารย์บอกว่ามันปิดกัน้นฉะนั้นเนี่ยเราต้องสมาทานบ่อยๆเลยยังไงคะท่านคือถ้าไปคิดว่ายากเนี่ยมันจะยากในความรู้สึกเลยเนี่ยต้องให้คิดยังไง ร, รู้ไหมสักครู่นี้นะที่เอามาสรุปให้ฟังนะทาไมเด็กคนนั้นอยากบวชจึงลงไปนอนดิน้นดินจนพ่อแม่พี่น้องประหลาดใจอยู่ต่อมาปโกนหัวบวชแล้วบุคคลหัวให้เขาดีใจมากๆ นั้นบงบอกว่าอัธยาศัยในอดีตกรรมในอดีตแรงมากกุศลกรรมแรงมากแต่เขามาพลาดกับปัจจุบั น, นกรรมปัจจุบันนิกรรมเนี่ยเขาสับสนเพราะไม่ได้กัลยาณมิตรที่ถูกต้องไปได้ปาปะมิตรคือสิ่งแวดล้อมที่เสียหายเขาให้สิ่งแวดล้อมในครอบครัวก็ไม่เกื้อหนุนกับเขาทาั้งๆที่อัธยาศัยของเขาเนี่ยน้อมมาทางด้านบนรรพชาเต็มที่ เหมือนพวกเราเนี่ยตั้งใจว่าขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เป็นประชาอุสมบัตเราตั้งไว้อย่างนี้จริงนะแต่พอไปตั้งใ บ, บเบสเสร็จแล้วเนี่ยด้วยการไม่แข็งแรงจริงแล้วเป็นการแค่ตั้งไว้แต่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ชัดลงลึกลงไปไอ้ข้อมูลชั้นลึกเลยไม่ได้มันเลยได้ชั้นผิวเผินที่มีอัตยาศัยในการที่น้อมจักบรระชาตอนเด็กๆไม่ต่างอะไรกับ ไม่ต่างอะไรกับเด็กระลึกชาติได้ตอน 3-4 สี่ขวบพอเลยจากนั้นมาก็จำอะไรไม่ได้ไม่ต่างกันเลยมันระลึกได้แต่ตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาก็เหตุปัจจัยในปัจจุบันก็ปิดหมดนี่ก็เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่ถูกเรายิ่งน่าเจ็บปวดแล้วตอนนี้ลังมาวัดดูทีว่าเราปัจจุบันนี้ศรัทธาสู้เด็กน้อยคนนั้นก็ไม่ได้ด้วย